นี๋ครับมีอะไรช่วยไหมครับเออคือว่าพวกเรามาขอเยี่ยมเพื่อนนะคะขอทราบชื่อนามส ก, กุลของผู้ต้องหาด้วยนายยิ่งศักดิ์ดีรัศักดิ์คะ่ะเดี๋ยนะนายยิ่งศักดิ์เลยอยา่าเราค้นหานะครับมันเทวดาจําวันมีไหมคะพี่อ๋อเจ๋แล้วครับนายยิ่งศักดิ์ดีรัศักดิ์เออเคยเป็นผู้ต้องหาลวนลามทางเพศนี่นะ่ะค่ะค่ะใช่แล้วคะ่ะเออแต่พี่คะ เพื่อนฉันไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคะพวกเรารู้จักเขาดีค่ะเขาไม่มีวันเอาเปรียบผู้หญิงเด็ดขาดค่ะผมยังไม่ได้ว่าอะไรเพื่อนคุณเลยนะครับเนี่ยรู้ค่ะแต่อยากจะบอกพี่ให้รู้นะคะก็รู้แล้วรู้แล้วรู้ตอนไหนคะก็รู้ตอนที่คุณพูดนี่แล้วโถพี่นะล้อเล่นนะล้อเล่นแค่วยายามบรรยากาศมันตึงเครียดเพราะท่าทางคุณสองคนมันตึงเครียดเหลือเกินกูเพื่อนของคุณจะโดนประหารชีวิตหรือไงไม่กลัวขนาดนั้นแล้วคะ่ะเดี๋ยวโดนติดคูกก็เสียอนาคตไปแล้วนะคะ เพราะว่าเขาเป็นคนดีเป็นสุภาพบุรุษและเพิ่งจบปริญญาใหม่ๆด้วยเตรียมจะกลับมาที่บ้านเขาเพื่อพัฒนาบ้านเกิดแต่กลับมาเจอเรื่องนี้ซะ ก, ก่อนเนี่ยฉันอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าคนที่ทํากับพี่ยิ่งนี่ย เ, เขาเขาเป็นคนยังไงกันแน่ร้องไห้คุณครับคุณครับอย่เพิ่งร้องไห้เลยครับอึ่เพิ่งเสียใจเลยครับก็ฉันโอคือผมชนเห็นน้าตาผู้หญิงไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมก็จะร้องไห้ตาไปด้วยอันล่ะ ขอโทษด้วยนะคะใจอืดอะไรมไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงบส ต, ติด้วยนะจะพยายามค่ะเอาละทีนี้ฟังผมพูดบ้างอ่ ะ, ค, ะค่ะเคย อ, อย่างนี้คือคนที่แจ้งจับนายยิ่งศักดิ์นี่ก็คือพลเอกชัยพิชัยฤทธนรงค์ก็ซึ่งเป็นผู้ปัคการนายยิ่งศักดิ์เองค่ะใช่แล้วค่ะตอนหลังท่านก็นโทรมาขอถอนแจ้งความอา้าวนเหรอคะอือ ถ้าอย่างนั้นพี่ยิงก็ปลอดภัยแล้วละสิอยู่ไหนคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ไหนคะเขออกไปมาตอนเที่ยงอะไปไหนกลับไปบ้านพลตํารวจเอกอะไรนั่นหรือเปล่าอะเรื่องนั้นผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับรู้แต่ว่าได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาที่มีชื่อนายยิ่งสั ก, กดิเรียบร้ อ, อยแล้วเ อ, อสาวเอาไอเดียก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะอืมงงจริงๆเลยนะเนี่ยป๊าปา้งั้นเราลงไปข้างล่างแล้วค่อยคุยกันนะเอาเงินก็ได้เ อ, อขอบคุณพี่มากนะคะไม่เป็นไร ใช em mm ่ครับตาสบายผมผู้รักฐานีลาไปมิกกัทุกคนใช่ครับ น, นี้เราอยู่นอกโรงพรักแล้วเอาไงอ่ะจะไปไหนดีล่ะบุกไปบ้านพี่ยิ่งเลยดีมะบ้านพลตารวจเอกชัยนั่นน่ะหรออืมก็ใช่น่ะสินี่เธอแน่ใจแล้วหรอก็ถ้าไม่บุกไปก็ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนช่างเขาเหอะอะไรนะสาวอยู่ดีๆให้ฉันช่างเขาได้ยังไงเล่าก็จะให้ทํายังไงล่ะก็ไปหาเจ้าตัวถึงบ้านเลยสิจะไปจริงๆหร อ, อไปเดี๋ยวนี้เลยเอาเอาเอาไปก็ได้เธอนี่บ้ า, บาจริงๆเลย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 ห้ัวใจเหมือนฉันสักหน่อยเธอคงไม่ปล่อยให้ฉันต้องคอยอย่างนี้เธอคงมองส่งถึงม่ตุ้เธอคงมองส่งถึงความหวังดีที่มีเมื่อมา เธอมองไม่สึงถึงสตาเธอมองไม่สึงถึงความูาูาเพียงใน้หยดลงินทุกวันหินมันยังกอแต่หัวใจอ่อนอ่อนขงเธอทำสิ่งใดชใบ ท้สะพานสั่สะือนเหมือนหัวใจฉันไม่หวั่นไหวว่าใครเขารักเขารอ้อนจินโลกลมหายใจของฉัน f r a m n o w raw, r o w r l w ล, ลงทิ้จุกวันหินมันยังกร่อนแต่หัวใจอ่ของเธอทำเพื่สิ่งใดฉันไม่สทบสนถานสะเทือนเหมือนหัวใจฉันไม่หวันไหวว่าใครเขารักเขารอ For what? ช่วงเวลาในชีวิตเราต้องมีชวนที่ดีแล้วรายอาจมีใครมากมายที่รมสุดต่ว่าตอนที่เราทุกใจมองหันไปไม่เคยเจอใครมีเป็นสองเราเท่านี้แปลตีที่ชีวิตคน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 ยังลืมคำารักคำนั้นยังลืความรู้สึกนั้นคสคันั้นมีค่า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 What lies? What m a t t e คำสำคัญนั้นมีค่ารักษาไว้ให้ดีย่าลืมคำว่ารักคำนั้นจะเคยบอกกันแล้วกันเพียงแค่คืนละวันได้เลยผ่า น, ยนอย่ามองคำบางสี่มองคำบางอย่อย่าคำว่ารักคำนั้นเป็นื่อความรู้สึกนั้นคนสําคัญ Yeah, I'm s t a k a c to. t h a n l k b a t e w d a e out, s h l u t e o e n o w Oh, <Snan méCalmel> so.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 อาซินอาซินอฮ้ยอยู่บนบ้านนี่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วเร็วเดินขึ้นมาบันไดดีๆนะบันไดเนะี่ยไม่ค่อยจะแข็งแรงแล้วว่าจะซ่อมแซมสักหน่อยก็มัวแต่ผัดวันประกันพุ่งอยู่นั่นแหละเฮ้ยพอแก่ตัวลงเรยวแล้วมันก็ถดถอยทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็พอลอยลมจับซะให้ได้ไม่เหมือนตอนสามติดสี่สิบตอนนั้นนะ่ะเหรอหยิบจับอะไรเนะี่ยเป็นคล่องตัวไปหมดนี่ รู้ไหมตอนนั้นนะ่ะนะถ้าอยากให้ได้ลูกสักโลลหลละเหรอสบายหัวปีท้ายปีไม่กี่ปีเท่านั้นแลหละลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองใช่ไออทำนองนั้นแหละแต่แต่อะไรเหรอไอเย็นแต่เป็นลูกเสียลูกตะเคี น, นะอาไอเย็นเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเอ็งนี่จริงๆเลยว่ะพับผ่าสิเอา้ามาตอนนี้นะะ่ะเหรออย่าแต่จะเอาเป็นโหลเลย คนเดียวก็ยังไม่มีปัญญานะ่ะจะบอกให้นบเขาไม่ขันได้ไงอาก็ขันเหมือนกันแต่ขันเบาๆเ บ, า, ๆบาบานจนหน่ายใจแล้ววะเออเนี่ยเย็นเอ็งชวนข้าทะลึ่งแล้วนะโว้ยสปอนวะลานิดจิตจำสายใช่ไหมอาเออมันก็จริงของเอง็งเออแล้วนี่เอ็งกินข้าวหรือยังวะยังเลยกะจะมากินกับอานี่แหละอาแค่แล้วเหร อ, อ, อยังแต่กับข้าวกับปลาบ้านข้าน่ะมีไม่มากเหมือนบ้านเอ็งหรอกนะฮะ ค่าน่ะตัวคนเดียวกินอะไรไง่ายๆกินแค่อิ่มท้องเป็นใช้ได้มีอะไรมาละอาก็เดินไปดูในครัวเองเอาละกันมีอะไรกห็หยิบกินได้ก็ยกมาได้เลยเดี๋ยวเรานั่งล้อมวงกินกันกลางบ้านนี่แหละล้อมวงอะไรกันอามีแค่สองคนผมกมับอาเท่านั้นน่ะเออสองคนก็ล้อมวงได้ไปเถอะไปแล้วก็ยกมาครับอาอ้าว หม้อที่ตั้งอยู่บนเตาฟืนอะไรอ่ะอ๋อแกงขี้เล็กอะ่ะเอ็งมองไม่ออกเหรอทำไมสีมันแ ป, ปลกแปลกล่ะก็จะไม่แปลกได้อย่างไรเลาววะก็ปลาย่างแรงไฟไปนิดนึงสีมันก็เลยดูไม่น่ากินแต่อร่อยอย่าบอกใครเจ้านามีประย่าเหรือล่ะอ่ะเออสูตรของข่ายเองปลาอะไรอ่ะปลาช่อนนะ ข้าวช่อนนาสะด้วยโรงี่แวมากินข้าวกับอาทุกเมื่อดีกว่าฮั่นแฮโรนา่าเองชอบกินปลาช่อนนาเป็นชีวิตจิตใจใช่แล้วแล้วเอ็งรู้ไหมว่าทําไมเอ็งถึงชอบปลาช่อนนามากขนาดนั้นไม่รู้สิอ่าสงสัยตอนเด็กๆแม่ผมทําให้กินบ่อยๆแล้วมัง้งข้าตั้งหากข้าเป็นคนไปจับช่อนนามาให้แม่เองทําให้พวกเอ็งกินเอ็งก็เลยติดใจตั้งแต่เด็กแล้วหรืยังไงล่ะมีหน้าล่ะมีหน้าอะไรวะ ก็ไม่น่าเพราะตอนหลังถ้าไม่มีปลา ช, ช่อนนากินฝันให้อาตลอดเลยมารลอนอยู่ได้เย็นไอเย็นแม่ปัดเดียวเธอเองนี่มันทะลึ่งแล้วนะเฮ้ยเจ้านี่มันจริงๆเลยเอออ่ะฮะจานนี้อะไรน่ฮะอ๋อหลนปลาล้านอ่ะกินกับผักต้มเห็นผักต้มไหมวะเห็นแล้วอ่ะเออปลาร้าสับที่เหลืออยู่ก้นถ้วยนั่นนะยกมาให้ขาด้วยขาอยากกินวะจะได้หมดหมดไปเป็นอย่างๆไปครับอ่ะ เป็นไงวะฮะอืมอะไรครับเป็นไง อ, อร่อยไหมโอ้โยอร่อยสิอาเออพ่อเองเป็นไงบ้างวะก็เหมือนเดิมตามอไม่เ็เห็นตอนนี้ไม่ทำอะไรแล้วทำได้ทำเล็กๆน้อยๆห น, น้าบ้านนะให้พ่อเองได้ใช้กำลังบ้างออกแรงร่างกายมันจะได้แข็งแรงไม่มีโครคภัยไข้เจ็บมาเยือนเองเข้าใจื่อวะครับข้าก็เคยพูดเรื่องนี้กับพ่อเองแล้วเหมือนกันพ่อเองก็รับปากข้าแล้วนี่อยู่นา ว่าจะหมั่นทํำน่นทำหน้าที่หน้าบ้านนะอย่างเช่นกวาดเศษใบไม้กวาดขี้ไก่อะไรยังงั้นเหรออะเออก็ดีกว่านั่งนั่งนอนๆอนนะเดี๋ยวเอามาผ่านมาจะถามหาผมก็บอกพ่อเหมือนกันละอะเออแล้วได้ทํามั่งหรือเปล่าวะไม่เคมีกำลังใจนะ่ะอาเฮ้ยใจของพ่อเองนี่ถูกไอ้ยิ่งกระชากไปครอบครองคนเดียวแล้วเหรอเว้วยอาว่าพี่ยิ่งยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าพ่อเองคิดยังไง ขาก็คิดอย่างนั้นแหละผมก็คิดเหมือนกันนะครับอ่าดีแล้วล่ะแล้วพี่ยิ่งจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเฮ้ยใครจะไปรู้ได้ล่ะไม่ใช่พระเจ้าสักหน่อยจริงดูสิพ่ออาจจะรอมใจตายเพราะพี่ยิ่งไม่ยอมกลับไปคนก็ได้นะเนี่ยไม่หรอกนะพ่อเองอจิตใจแกรงจะตายไปมันก็ไม่แน่หรอกนะอ่าดูระยะหลังมาน่อยสิพ่อเป็นโน่นเป็นนี่อยู่เรื่อยเลยอะกําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยรู้ไหมครับอา